ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพูดให้ถึงวิมุตต์โดยสมณะทราบซึ้งสริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2546นพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ วันนี้เราลองมาศึกษาเรื่องของการพูดจาหน่อยก็แล้วกนนันจากในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะอาภพาวักพ ร, ระสูตรนี้พระพุทธเจ้ามีก็คิดว่าก็น่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อะนะก็มีท่านตรัสถึงคำพูดเนี่ยสามลักษณะ ก็คือเป็นบัจจีทุจริตแล้วก็เป็นวัจจีสุจริตแล้วก็เป็นวัจจีสาระนะแบ่งออกเป็นส3สามประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะคำว่าบัจจีทุจริตอันนี้เราจะรู้อยู่แล้วเพราะอันนี้ก็คือสีลข้อที่สี่นั่นเองนะพอจําได้มามสีลข้อที่สี่มีอะไรบ้างอา้าวห้าพูดโกหกละอะไร เบอร์เจอร์แล้อะไรอีกสอเซียดคำหยา บ, ย, าบยังครบ <c oughs> <c oughs> นะเ <c oughs> พราะนั้นวจีอันนี้ก็คือวจีทุจริตนะหรือก็พูดง่ายถือว่าผิดศีลข้อสี่นะเอาอันแรกก็คือพูดเท็จคิดว่าอันนี้คงจะเข้าใจง่ายที่สุดนะคือการที่เราเนี่ยกล่าวคำโกหก การโกหเนี่ยจะเป็นคําใหญ่ก็ตามคํากลางก็ตามคําเล็กก็ตามโกหก็คือโกหนะบางคนจะบอกว่าอุ้ยเล่นเล่นเล่นเล่นแต่ถ้าเล่นเล่นะแต่ถ้าโก6ก็คือโกหจะบอกว่าบอกว่าก็อันนี้เล่นเล่นะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าโกหอ้าวเราจะพูดเล่นก็ตามอ่ะพูดเล่นก็ต้องพูดจริงเหมือนกันน่ย ผู้เจ้าไม่ได้สอนนะว่าว่าพูดเล่ น, ลนแล้วโกหกได้ไม่ได้สอนตรงข้ามเลยผู้เจ้ากับย้ำได้ซ้ําไปว่าระวังเถอะแม้แต่การพูดเล่นนี่แหละระวังอย่ากโกหก อ, อันนี้จะมีเลยนะในพระไตรปิฎกผู้เจ้าท่านจะย้ำในลักษณะนี้ไว้แม้แต่การพูดเล่นวันส่วนใหญ่เนี่ย คนที่โกหกเนี่ยจะพลาดในกรณีพูดเล่นเนี่ยเยอะมากนะพูดเล่นพูดเล่นโดยโกหกนะนี่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือเป็นเรื่องเพอร์เจอร์เป็นเรื่องอะไรนะแต่เป็นการพูดเล่นแต่ว่าโกหกอย่างเช่นพูดเล่นยังไงอ๋ออันนี้ยกตัวอย่างมายิ้มทีแก้มปรีจมไปหูพูดเล่นเล่นเลนะ เออแต่ว่ามันไม่จริงใช่ไหมเออมันไม่จริงถ้าจะอ่คือคือให้เราสังเกตนะศีลก็ศีเนี่ยแม้การพูดเล่นเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วเราคอยเราบ้นานระวังอยู่เนี่ยจริงนะบางทีเราก็แซวเราก็พูดเล่นให้เกิดความรู้สึกที่สนุกสนานหรือว่าเบิกบานขึ้นมาแต่จะไม่พูดไปไ เป็นคำโกโหกเด็ดขาดบางทีแซวกันอย่างเงี้ยบางทีแซวกันนะจะยกตัวอย่างไงดีะมาก็นึกไม่ทั น, นวันนี้ <c oughs> แซวกันแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นคาโกหกอะหรือหรือหรือแซวแล้ว เป็นคำโกหกจะได้เห็นเห็นความตรงขัางข้ามขึ้นมาจริงๆอาจะมาไม่ค่อยพูด น, นะนะมันเลยนึกไม่ค่อยออกแต่บางทีเนี่ยได้ยินคนอื่นพูดบ่อยมากเลยขนาดขนาดพวกเราซึ่งมีการตรวจสีข้อสี่กันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะตรวจสีกันทุกวันเนี่ยแต่จะเห็นได้เลยบางทีเห็นพวกเด็กเขาคุยกันบ้าง หรือนี่แหละไม่ต้องอื <Wat> ่นกายพวกคนวัดเนี่ยแหละบางทีคุยกันนี่เราคุยกันแบบเล่นสนุกสนุกแต่ฟังดูเนี่ยแตมารู้แล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แต่แต่แต่เขาไม่คิดอะไรกันหรอกนะหมายถึงว่าเขาคุยกันเองเนี่ยเขาไม่คิดอะไรเขาก็สนุกสนุกเบิกบานไปอันนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้พูดเล่นหรอกนะอันนั้นเป็นการ ติดปากเป็นการเคยชินอันตามาก็ยังเคยติดเลยบางทีก็ถามเนี่ยอะไรนะไปไหนมาเปล่าเราเปล่าขึ้นก่อนเลยแล้วแล้วเปล่าเสร็จแล้วก็ไปตลาดมา <c oughs> ไอ้ท่านเป็นความเคยชินที่มันติดแต่ที่จริงแล้วก็คือมันไม่ถูกอะ่ะในการใช้สำนวนใช้ภาษา นะซึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องฝึกถ้าใครฝึกมีสติก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่พูดพวกนี้ขึ้นมาก่อนแต่บางทีเราเผลอไงมันคุ้นเคยมันเคยจีนมันก็จะขึ้นมานะแต่วันนี้ยังยกตัวนึกตัวอย่างไม่ทันแต่ให้รู้แล้วกันว่าแม้การพูดเล่นก็ไม่ควรโกหกพรนะผู้เจ้าท่านไม่ได้ยกเว้นให้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แล้วก็เลยโกหกได้ นะไม่ไม่มีข้อยกเว้นเพราะนั้นถ้าโกหกก็คือโกหกยิ่งสีข้อที่สี่เนี่ยเอาเอาความผิดที่คำพูดสีข้อสี่เอาความผิดที่คำพู ด, เ ม, ด, พดเมื่อคาพูดนี้เท็จคำพูดนี้ไม่เป็นความจริงก็ถือว่าคำพูดนี้โกหกแม้บางทีจิตเราจะมีเจตนาดีก็ตาม เอาอย่างเกียจตนาเนี่ยซลกเล็เล่นๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความาบันเทิงชื่นใจสนุกอะไรอย่างนี้นะคือคลื่นแต่ถ้าโกหกก็คือโกหกจะบอกว่าไม่เป็นคำโกหกไม่ได้เราบอกว่าผิดศีลไหมก็ต้องถือว่าผิด <c oughs> จะบอกว่าไม่ผิดศีลไม่ไดอ้อาจจะยกเบ้นแค่ มันมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นะที่ที่รู้ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยพูดความจริงไปแล้วอย่างเช่นอันนี้อจะมานึกตัวอย่างได้อยู่อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วตรวจหมอหมอเขาตรวจแล้วอะ่ะโอ้โหรู้ละคนนี้โลกหนักเลยอาจจะเป็นเอชอาจจะเป็นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ถ้าจะให้บอกไปตรงๆเนี่ยโห คนป่วยคนไข้คงจะจิตตกจิตเสียแล้วอาจจะเผลอเผออาจจะการหนักเลยก็ได้หนักยิ่งกว่าเดิมไว้าบางทีอย่างเงี้ยด้วยเจตนาที่ที่ดีไม่ไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยบางทีก็เลยต้องพูดหลบรบเลี่ยงเลี่ยงซึ่งมันก็เป็นเชิงโกหกแหละพูดหลบๆบเลี่ยงเลียงโดยไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าบอกตามตรงไม่กล้าใช้ภาษาที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยจะรู้ อย่างชัดเจนใช้ไม่กล้าใช้แต่ที่จะบอกว่าคุณเป็นเอดแล้วนะอะไรเงี้ยออใช้ไม่ได้ตอนเนี้คุณภูมิภูมิคุ้มกันคุณต่ำ <c oughs> อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ภาษาอื่นซึ่งบางทีผู้ป่วยก็กเลยอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่าตัวเองนี่เป็นเอดแต่รู้แต่ว่าเออเราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะภูมิคุ้มกันมันต่ำอะไรอย่างเงี้ยคือคือ คือเข้าใจเป็นอย่างอื่นซะแต่เขาก็ไม่กลัวไงใช่ไหยอย่างอื่นเขาอาจจะไม่กลัวเพราะฟังแล้วมันไม่น่ากลัวแต่ถ้าบอกเป็นเอสดโหบางคนกลัวเลยยิ่งไม่มียาอะไรรักษาอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งหวาดกลัวหนักวันนี้คือความจาเป็นแต่อย่าไปเอาแบบที่ทุกวันนี้เขาชอบใช้คำว่าโกหกสีขาวนะอันนี้จะมาพูดไปหลายทีแล้ว อย่าอย่าอย่าไปเอาวิธีการนั้นมามาใช้บางทีเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นไม่ได้อะไรแต่ใช้การโกรหกแล้วก็ใช้คำว่าสีขาวนะโกหกอเพื่อที่จะให้อะไรอะให้มันให้มันดีอหละแต่บางทีมันไม่จำเป็นอะ่ะคือไม่เห็นต้องโกหกก็ได้ อ, อันเนี้ใช่ไหม หาวิธีการอื่นหรือหาวิธีพูดอย่างอื่นที่ไม่ต้องโกหกก็ได้แต่อันนี้จริ ง, จร ง, จรงเจตนาเพื่อที่จะให้ดีแต่มันอยู่ที่ว่าจําเป็นไหมว่าต้องโกหกอะจะต้องใช้วิธีนี้เหรอเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นมันยังมีวิธีอื่นที่จะแก้ได้เอา้าเราก็ใช้คําพูดที่ถูกต้องที่เป็นคําจริง ไม่เป็นคาเทศดีกว่าเพราะถ้าขืนมีโกโหกสีขาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยโดยที่บางทีมันไม่ได้จำเป็นจริงมันเป็นเจตนาดีนะแต่มันเป็นเจตนาที่โอ้ยไอเรื่องนี้มันแหมมันไม่เห็นจะต้องไปหน้ากลัวหน้าอันตรายอะไรถึงขนาดนั้นเลยเพราะถ้าขืนใช้ไปบ่อยๆนี่นะถ้าใช้โกหกสีขาวไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อีกหน่อยนะมันไม่รู้หรอก มันไม่รู้เรากาสีขาวสีเทาหรือว่าสีดําเพราะโกหกมันก็โกหกเหมือนกันนะเล็กหน่อยคนก็เลยไม่รู้เลยว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จเพราะว่าในเมื่อสมมุติว่าคนดีเนี่ยก็สามารถพูดโกหกได้อ้าวแล้วคนโกหกมันก็พูดโกหกอยู่แล้วแล้วมันเลยไปแยกยังไงอ่ะมันแยกไม่ได้ละเพราะคนดีก็โกหก คนไม่ดีก็โกหกได้อ้าวแล้วอีกหน่อยเลยก็ไม่รู้จะแยกกันยังไงเพราะฉะนั้นนะมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงไม่เลยที่จะแบบว่าบอกว่าอาโกหกสีขาวได้ไม่มีเราะฉนั้นโกหกก็คือโกหกคือก็ให้รู้ว่ามันเป็นความไม่ดีหรอกไม่เหมาะไม่ควรที่จะไปโกหกใช่ไหมนะอันนี้อันนี้เรื่องของการพูดเท็จ ส่วนเรื่องของส่อเสียดอันนี้อาจะมาพูดบ่อยจริงๆส่อเสียดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนินทานะนินทานี่คือการพูดถึงความผิดของคนอื่นรับหลังนะไม่ได้พูดต่อหน้าเราเรียกว่าดินทาแต่ส่อเสียดเนี่ยพูดต่อหน้าก็แดดพูดรับหลังก็แดแต่เป็นลักษณะการพูดที่ให้คนอื่นเขาเนี่ย อ, อะไรอ่ะเข้าใจผิดกันให้เขากโกรธ ก็เกียดชังกันให้เขาทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละจะต่อหน้าก็ได้ต่รับหลังก็ได้แต่ว่าพูดแล้วให้คนเขาเข้าใจผิดเนี่ยสอเสียดแต่นี่ส่อเสียดเนี่ยพูดคาจริงก็ได้ไม่ไม่พูดคำเท็จไม่พูดเอ่อเพอเจออะไรเลยพูดความจริงเอาความจริงมาพูดนะแต่พูดแล้วเนี่ยให้ให้คนเนี่ย เข้าใจผิดอีกคนหนึ่งเราจมายกตัวอย่างบ่อยอย่างเช่นนายกอกับนายขอเนี่ยใช่ไหมไม่ชอบใจกันอยู่ทีนี้นายข อ, อนายขอเนี่ยรู้ว่าสองคนนี้ไม่ชอบใจกันอยู่อเอาความดีเนี่ยเอาความดีของนายกอมาพูดให้นายขอฟังแต่ตัวเองเนี่ย มีเจตนาแล้วนะเจตนาจะพูดสอเสียดเอาความดีเนี่ยเอาความถูกต้องของนายกยมาพูดให้นายขอฟังก็รู้อยู่แล้วนายขอเขาเกลียดอยู่กับนายกเพราะฉะนั้นแม้ไปชมอย่างเลยนะชมนายกทำดีอย่างนั้นนายกทำดีอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วเขาเกลียดกันนะยิ่งไปชมคนที่เขาเกลียดให้ฟังเป็นยังไงเ <c oughs> ขาก็ยิ่งเกลียดหนักใช่ไหม เขาก็ยิ่งไม่ชอบใจหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกเนี่ยคนเนี้ยรู้เข้าใจอยู่แล้วนะป่วยง่ายเนี่ยเนี่ยแกงเจตนาจะไปพูดส่อเสียดนี่เนี่ยคือการพูดส่อเสียดที่จะให้พอยิ่งเอาความดีของนายกไปพูดให้นายขอฟังมากเท่าไหร่นายขอก็ยิ่งหมั่นไส้ยิ่งเกลียดนายกอมากก็เอยมากก็เรืเนยนี่ยเยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส่อเสียดทั้งทั้งที่ ในในคอเนี่ยเป็นคนไปพูดเนี่ยพูดไม่ผิดเลยพูดถูกต้องแต่เจตนาไม่ดีเห็นไหมรู้ว่าเอาคําถูกต้องเนี่ยะนะนิยมชม ช, มชื่นในกอทําดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปพูดให้ในขอฟังเนี่ยในขอจะต้องไม่ชอบใจในขอจะยิ่งโกรธยิ่งเกลียดชังใหญ่เลยรู้แล้วก็ไปพูดเพิ่มความไม่ชอบใจให้เขาหนักขึ้น อันนี้เจตนานี่โดยเจตนาแต่อย่างพวกเราเนี่ยบางทีถือศีลปฏิบัติธรรมมีบางคนไม่เจตนาหรอกแล้วพูดก็ไม่ค่อยดูหน้าตาคนด้วยบางทีอะนะคุยกันเนี่ยแหละคุยกันเนี่ยแมชมคนนั่นชมคนนี้ให้เพื่อนฟังนะไม่ได้ดูหน้าเพื่อนเลยเป็นไงปรากฏว่าหน้าเพื่อนเนี่ยเบี้ยวไว้ก็เบี้ยวมาแล้ว <c oughs> ไม่ทันสังเกตเลย นะเนี่ยลักษณะเนี้ยที่จะมายกตัวยอย่างเพราะฉะนั้นไม่สังเกตเลยนะเขพูดไปเรื่อยนะไม่ได้คิดอะไรหรอกก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแต่ว่าโอ้โหไอ้เพื่อนที่ฟังนี่ความรู้สึกพุ่งพ่านพุ่งพรานใหญ่ละนะถ้าเขาไม่เก็บโกรธเนี่ยเขาก็อาจจะน็อตหลุดอาจจะพูดใส่เราแล้วคนนี้หรือพูดเถียงกับเราแล้วคนนี้บางทีกว่าเราจะรู้ตัวก็โอ้โห เพื่อนเถียงเรากลับมาแล้วดีที่ไหนเล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหคราวนี้ก็ใส่ใหญ่แล้วว่าเ น, นี่ยเราเราไม่เจตนาแต่พอพูดไปแล้วเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นให้เห็นทันทีอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนั่นในลักษณะของส่อเสียดอันนี้เป็นวจีทุจริตนะส่วนคําหยาบอันนี้ก็คงรู้อยู่แล้วโดยง่ายๆโดยง่ายๆก็คือภาษาหยาบ ภาษาหยาบยาบอันนี้ชัดเจนเพราะนั้นไม่ต้องอธิบายมากแต่ภาษาหยาบๆยาบเนี่ยบางทีในหมู่เพื่อนฝูงคุยกันเขาอาจจะไม่คิดว่าหยาบนะใช่ไหมที่ที่เคยยกตัวอย่างยจะใช้ว่ามึงจะใช้ว่ากูจะใช้อะไรเป็นภาษาหยาบๆยาบเนี่ยบางทีเพื่อนฝูงอาจจะไม่ถือสาอะไรกันอ่าแล้วก็ตรงข้ามเลยนะคิดว่าพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกสนิทสนม <laughs> รู้สึกสนิทสนมแทนที่จะโกรธเกลียดเนี่ยไม่โกรธเกลียดเลยยิ่งรู้สึกสนิทสนมใหญ่เลยพูดแบบนี้แต่โดยภาษาต้องยอมรับว่านั่นก็คือคำหยาบถ้าโดยภาษาอาจรมาถึงบอกสิลข้อที่ศีเนี่ยจริงๆผู้เจ้าท่านเน้นที่ตัวภาษาตัวคำพูดถ้าเป็นคำหยาบก็คือคำหยาบนะก็มทีที่บางทีเราบอกว่าออสนิทสนมกัน เป็นเพื่อนฟูงกันพูดแล้วเราก็ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบอันนั้นเป็นความไม่ถือโดยส่วนตัว <c oughs> นะไม่ถือโดยส่วนตัวแต่โดยภาษาต้องยอมรับว่าอย่างนี้คือคำหยาบแม้ว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าไม่หยาบก็ทมเพราะนั้นสิงข้อสี่ไม่เอาแค่ความรู้สึกเอาตัวภาษาด้วยและตัวภาษาน่หะเป็นหลักด้วยความรู้สึกเป็นรอง คือถ้าพูดออกมาเนี่ยใช้ภาษาผิดถือว่าผิดถือว่าผิดทันทีจะอนุโลมบ้างในบางครั้งบางกรณีเท่านั้นเองแม้ว่าเรากรณีที่เราไม่เจตนาอย่างเงี้ย อ, อย่างเช่นบางคนเนี่ยเดินลงมาอยู่ดีเดินลงบันไดตกบันไดเนี่ยโอ้โหบางคนอุดทานออกมาหยาบๆคลายๆอาการตกกระจ โอ้บางคนหยาบจริงๆนะเออไม่รู้เป็นไงนะทําไมมันเป็นอุปทานอย่างไั้ไม่รู้พออุบัติเหตุอะไรครับหลุดทันทีเลยนะไอไอคําพวกเนี้ยหลุดออกมาเลยแม้อย่างนี้จริงๆเขาไม่เจตนาใช่ไหมเป็นอาการตกใจเป็นอาการอะไรหลุดคําพูดออกมาแต่ถือว่าคําหยาบไหมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นคำหยาบความจริงอนี่ยมันก็คือคําหยาบแม้ไม่เจตนาเพราะอันเนี้ย มีวิธีเดียวก็คือต้องฝึกฝึกมีสติให้เท่าทันให้ได้แล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันเป็นคำความภาษาที่มันไม่เหมาะนะเนี่ยคำเท็จคำส่อเสียดคำหยาบอะไรจะต้องพยายามอย่าให้ให้มีให้เป็นหลุดออกมาหรือสุดท้ายก็คือเนี่ยเพิรเจอเพิเจอนีอ่พวกเราหลายคนบอกว่า โอ้อย่างนี้ก็พูดเล่นไม่ได้เลยเพอเจอร์ไม่ได้หมายความว่าต้องเล่นต้องอะไรนะอนมาบอกแล้วว่าพูดเล่นก็พูดได้สิทำไมพูดเล่นพูดไม่ได้อ่ะพูดเล่นน่ะได้พูดเล่นไม่ได้หมายถึงเพอเจอร์นี่พูดเพอเจอร์นี่คือพูดไรสาระพูดไม่มีประโยชน์ พูดไม่มีประโยชน์ต่อให้บางทีเนี่ยพูดถูกต้องเลยนะคำความเนี่ยถูกต้องนะไม่โกหกไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำส่อเสียดพูดมาเนี่ยคำความถูกต้องเลยแต่พ่อท่านยังเคยบอกว่าเนี่ยเพอเจอคือพูดไปแล้วไม่มีใครฟังเลย <c oughs> คน <c oughs> คือคนที่เราเราพูดให้เขาฟังเนี่ยแต่เขาไม่ฟังเราเลยอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะ หารไปคุยกับคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย น, นี่นี่เราพูดคาจริงนะเราพูดคาถูกต้องอะไรนะแต่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเพ้อเจ้อเห็นไหมนี่ไม่ได้เป็นคําพูดเล่นพูดถัวอะไรเลยนะแต่อย่างงี้ก็ถือว่าเพ้อเจ้อแต่ส่วนใหญ่อะที่พวกเราตรวจสีเนี่ยชอบนึกเพ้อเจ้อคือพูดเล่นนะชอบนึกอยู่แต่ไอ้มุมตรงเนี้ยซึ่งตรงข้ามเลยอาจมากก็บอกพูดเล่นอะได้ถ้าคุณพูดเล่นแล้ว หนึ่งไม่เป็นคำโกหกนะถ้าคุณคำคำที่คุณพูดเล่นออกมาไม่เป็นคำโกหกไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำส่อเสียดออแล้วก็ไม่เป็นคำเพอ้อเจอ้อคุณพูดเล่นได้เออทำไมทำไมจะพูดเล่นไม่ได้อ่ะมันพูดได้นะเพราะนั้นอันนี้อันนี้ก็แยกคร่าวๆให้ฟังนะอันนี้คือ ลักษณะของคําพูดที่ทุจริตพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยมีอยู่สี่อย่างเสร็จแล้วตอนี้คําพูดที่เป็นสุจริตนะไอ้ตะกนี้ทุทุ ก, ก็คือคําพูดที่ชั่วคําพูดที่เลวคําพูดที่หยาบคายอะไรต่างๆนะถือใช้คําว่าทุจริตส่วนคราวนี้คําพูดที่สุจริตสุเนี่ยแปลว่าดีนะโดยโดยโด ย, โดยบาลีเนี่ยสุเนี่ยหมายถึงดี จริตนี่ก็คือนั่นแหละก็จริตนิสัยใจคอ อ, อะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์ของคนเราเนี่ยนะก็คือจริตเพราะฉะนั้นคราวี่สุจริตก็คื อ, อามาบวกเข้ากับวจีก็คือคําพูดที่พูดออกมาในในในทางที่ดีนะก็มีสข้อเหมือนกันเพราะมันจะตรงข้ามกับ กับทุจริตนั่นเองวันหนึ่งก็คือพูดจริงพูดจริงนี่ก็ต้องพูดให้มันตรงให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนนะอย่าไปคุม้มคุมคือเคลื่ อ, อพูดอะไรนะอ้อม อ, อมค้อมคองเบี่ยงเบี่ยงเบนเบ น, เ, นเลี่ยงเลี่ยงอะไรไปนะอันนั้นมันมันไม่จริงสักทีอันความจริงก็คือก็เอาต้องพูดให้มันถูกต้องเลย อย่าไปพูดให้มันผิดพลาดกบเกือนหมกเม็ดอะไรอย่างนี้สองนะท่านท่านก็ใช้คําว่าไม่ส่อเสียดซึ่งไม่คำว่าไม่ส่อเสียดเนี่ยจริงๆน่าจะใช้ว่าพอพูดจริงแล้วใช่ไหมมันตรงข้ามกับพูดเท็จจริงๆเนี่ยทุจริตนี่คือส่อเสียดถ้าสุดจริตนี่ถ้าเป็นอันตมานะอัตมาว่าน่าจะใช้ว่าสามาคัคคีคือพูด พูดให้ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความสามัคคีขึ้นมามันถึงจะตรงข้ามกับสอเสียดเพราะสอเสียดเนี่ยพูดไปแล้วให้เขาทะเลาะกันให้เขาแตกแยกกันเพราะฉะั้นตรงข้ามกับคําว่าสอเสียดเนี่ยน่าจะหมายความว่าพูดสร้างสามคัคคีพูดให้สมัครสมานพูดให้ปลองดองพูดให้อ่า อ, อะไรอะ่ะแบบ พูดแบบมีน้ำใจอะให้ให้มันเกื้อกูลกันเนี่ยเพราะข้อที่สองของสุดจริตจะต้องหัดเป็นคนพูดแล้วสร้างความสามาัคคีไม่ใช่สร้างความแตกแยกอันนี้ไม่ง่ายนะบุญกุศลเนี่ยมหาศาลเลยในในข้อสอเสียดเนี่ยทมาเคยตอนนุ้นเคยวิเคราะห์โอ้โหลายละเอียดไปแล้ว ว่าโอ้โหบาปหนักได้เป็นอนันติยกรรมก็ได้นะถ้ทศเสียดเนี่ยโดยเฉพาะพูดแล้วให้หมู่สงฆ์คือหมู่คนดีเนี่ยเขาแตกกันนี่อนันติยกรรมถือว่าเป็นบาปหนักเลยบาปหนักที่เทียบหนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำรายพระเจ้าคุณคิดดูทีคุณพูดให้หมู่กลุ่มหรือพูดให้คนคนที่มีศีลเนี่ยคนที่ดีเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ย โอ้โหบาปหนักมหาศาลซึ่งอันนี้จตมาว่าในสีลข้อสีเนี่ยส่อเสียดคนยังยังไม่รู้ถึงโทษภัยถึง อ, อ, อันตรายที่จะได้รับจากวิบากกรรมของการส่อเสียดเพราะเพราะว่าเขาเขายังไม่เข้าใจคำส่อเสียดดีพอไงแล้วบอกแล้วบางทีส่อเสียดไปก็นึกไม่ถึงว่านี่คือการส่อเสียดคือไม่เจตนา เอาไม่เจตนามันก็เบาลงมาหน่อยนะที่จะเป็นอนันตริยกรรมนี่หมายถึงว่าเจตนาเจตนาส่อเสียดเลยแต่ทุกวันเนี้ยที่บางทีโดยเฉพาะเรามาอยู่ในหมู่เราถือว่าหมู่มิตร ด, ดีสหายดีคนที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอามรรคผลสูงขึ้นจเจริญขึ้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นคนดีแหละแต่ในคนดีเนี่ยถ้าวันไหนเนี่ยใครเกิดจิต เจตนาขึ้นมานะพูดให้คนนี้เข้าใจผิดกับคนโน้นนะพูดแล้วก็ยั่วยุให้เขาทะเลาะกันให้เขาเกียดชังกันนี่แหละนี่แหละคุณจะเริ่มเข้าขายอนันตริยกรรมบาปหนาบาปหนักทันทีแต่รู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงแม้คุณไม่รู้ตัวแต่บาปนรกกินหัวเลยทันทีนะถึงไม่รู้ตัวก็บาปนรกก็กินหัว อย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราไม่รู้ตัวเพราะเรานึกว่าเออแค่พูดแล้วให้เขาอะไรอ่ะทะเลาะกันมั น, มนดี <c oughs> คุณคิดแบบสนุกคุณคิดแบบเล่นๆของคุณก็แล้วแต่ละแต่นรกมีจริงแล้วก็รุนแรงจริงด้วยในข้อนี้สําหรับพูดให้คนดีเขาแตกแยกกันนะในทํานองเดียวกันแต่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคนที่สามารถ พูดให้คนที่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะแล้วเขาสามัคคีกันได้โดยเฉพาะคนดีเนี่ยซึ่งเขาทะเลาะ ก, กันเขาเขาเขา้เขาใจผิดกันพูดให้เขาเนี่ยแบบว่าโอ้โหรู้สึกดีๆต่อกันนะแล้วก็แก้ความไม่ชอบใจกันแล้วก็ทำให้เกิดประสานขึ้นมาได้โอ้โหอันนี้ก็บุญมหาศาลเลยนบุญบุญมาก บุญใหญ่เลยทีเดียวคนที่สามารถสร้างความสามัคคีได้ให้กับหมู่มิตรดีสายดีทั้งหลายนะอา้าวอันนี้เป็นข้อที่สองของสุจริตของวจีอนะส่วนข้อที่สามในนี้ในพระไตรปิฎกใช้ว่าอ่อนหวานก็คือตรงข้างกว่าคาหยาบใช่ไหมทุจริตเป็นคําหยาบแต่สุดจริตนี่ต้องเป็นคําอ่อนหวาน จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้สุภาพใช้สุภาพซะมากใช่ไหมพูดวาจาสุภาพเนี่ยันอ่อนหวานวา น, นี่ไม่ใช่หวานจ่อ ย, ยเย็นเจี๊ยบ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะวันอ่อนหวานหรือบางคนก็ชอบไปแปลตามอะเลยนะตามภาษาอ่อนหวานก็คือ ก็ ค, คือขมคือบานมันอ่อนมันชักจะขมนะยิ่งเขาบอกว่าอะไรนะบรเพชรนี่แก้โรคได้ได้ดีเลยนะอมบร์เพชรกินบร์เพชรบ่อยๆอใครอมบร์เพชรมากกินบร์เพชรมากแล้วพูดออกมาแล้วมันจะอ่อนหวานคือมันจะขม อันนั้นไม่เกี่ยวเรื่องคำพูดนะอันนั้นเป็นสมุนไพรเป็นตัวยาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อ่อนหวานเนี่ยหมายถึงว่าพูดให้มันนุ่มนวลได้มากพูดให้มันสุภาพเรียบร้อยได้มากพูดไปแล้วทำให้คนเขารู้สึกดีๆให้เขารู้สึกอบอุ่นเนี่ยพูดเป็นมากไม่ใช่พูดทีไรแล้วก็ โอ้โหคนฟังไปแล้วนี่ยังกะเอาอะไรอะ่ะเสียบเข้าไปในหูคนะเหมือนอะไรนะถูกความทุบ อ, อ่ะอาจิงๆิงนะบางคนเนี่ยโอ้โหโแต่ละคำพูดพูดไอ้ไวนี่แป๊บแปเลยนะเออหูอย่างเงี้ยบางทีโ ห, โโหเลือดซิบซิเลยมันเป็นวิบากกรรมอย่างนึงนะ ของคนที่ไม่ค่อยฝึกเนี่ยไม่ค่อยฝึกความอ่อนหวานในเรื่องคำพูดไม่ได้ฝึกเมื่อไม่ฝึกมามัาก็พูดไปตามใจตัวเองยิ่งท่านิสัยกระด้างนิสัยแข็งแข็งอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะพูดไปตามที่ตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นตัวเองมีมันมันมันไม่มีสติพอที่จะมาละมัดระวังมาคอยควบคุมดูแลคำพูดของเรา ก็พูดออกไปบางทีพูดเสียบแทงใจคนอย่างนี้